ขนาดของท่านชาตเงี่ยงเพียงงามอายุ8ปดหมื่นโอค้ครับแม่พนารกนั้นชายหญิงเืนใบหน้าใบตาเสมอเดียวกันหญิงก็เสมอกันไม่ไม่ว่าใครเป็นแม่ชาติไหนภาษาไหนก็าตามหัวเพียงกันลาวสิ1สี่ปีผู้ชาย16บหกปีแค่นั้นมารู้ว่าใครเป็นพ่อ มาลมีของพายสิต่าที่กูนี้จะได้เป็นพระเมตไปโยอนาคตหรือจะไปหากูเหงยยังไงเหรอสิเนื่อลูกปั๊บๆมากเมื่มือสุโหดบุ้งัดแต่กูก็ยังคื่ว่าวันสุดท้ายนะเนี่ยกูกูเันทอยังเป็นพระเจ้า้นพิเศษเนื่อะไยังไงใส่โกวที่ตานี่ลืมไป เอาไปสามส่วนเอาทึ่นหนึ่ส่วนเดียวหมาคุกสือเพาะเอาไปขึ้นขึ้นไว้ขึ้นนะวอครับนโกนาคมที่สองเอาไปสามศึกาสองส่วนเอาไปสองส่วนขึ้นไว้อดอ ื่อนขึ้น uh huh. อ่า ก, กัดกโตเ ร, ราภาถากัดเนี่ยเอาไปเสื่อนอย่าเอาข uh huh. ึ้นไรสามใชครับไบาลาีน uh ้ huh. อยเสื่อมื่อมนะี่ยเนี่ยเมตโยเนี่ยเอาไปสามเสื่อขึ้นไรเสือ่อมในมันก็ตะเกิดบัดเตีเินี่ยสายกเกินีนั่นเป็นอยู่กับที่พเจ้าคอย้เอางนะัางนเอางันนั้นปวอย่างนี้น uh huh. นี่ลมันก็เลื่อ่ได้ยังเงคุณพระพุทธเจ้าที่รูก็ไม่รู้เลื่ได้ก็เป็นเศษก็อัฐิมันหนาขึบนเราถ้าพระพุทเจ้าจไม่เล่อนก็เย็นช่วเย็นจะเบนสว่างดัะนั้นท่านจึงว่ า, า, า, าให้เราไม่ทําเพียงไป ตัดจากสิวงแพระมาไปถจะเป็นยางไงก็ตามทุกข์ยากลำบากนี่เมื่ก็ตามประการต่างไม่ว่าลไม่เป็นไม่เป็นประจาจ็บป่วยเลยทำแล้วไปยังเียวเหลวไหลวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ถ้าจะทำเจ้าชาเจ็บป่วยทำเพื่ให้เขา เห็นดดีเลยดีเลยน่นแหละไม่ทำไม่เป็นผิดเปลี่ยนเลยไม่เปนเลยไม่ไม่เปลนประาท่ปการละที่ไปเพราทไมบางคนคนคนเกียริี่นได้ยังไงคนเกียรติทำมาคนากียรตมีโรคเกิดลงมาจอะไรไปอยางได้ไป แต่ว่านั่น <in> ม <prayer> ันเราไม่เปลี่ยนเลยนั่นก็รักษาที่ยาวๆนะมันไม่ใจเลยงานเข้าเปล่ยาารมดกันไมมันย่งกันกินแยงกินยเนอ่งเนี่ยะเด็กสองตันดูเยไม่ใจกันเลยขวบกับขวดินอากินเอาาวินตนี้ในามโมเต่ื่ก ขวนเล่าเกิดจากที่ล <c oughs> งสู่ครับอยากขอทางธรรมะ ค, ครับ อ, อ, อยากขอกรวาู้เกี่ยวกับพระสุเรสมรุคละนะครับท่านจะมาตัดเม่หลักในโลกนี้ครับอะไรครัพระสุมรคะพุทธเจ้านะครับอ ย, อยากขอควมร้จกลวงสูอยากรู้ความเป็มองท่านนะครับโอยม่ดูไม่ตล่า้ฟัได้เลยนะครับอะไรเกิ่ยอยังไงเล่าประวัติครับหลวพ่อปุ๊ ว่าประวัติพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสุมังคลาเนี่ยจะมาตัตอนไหนครับองค์ที่เท่าไหร่ครับใครเลยสุนทรมังคลาครับสุทมังคานี่ครับครับหรือองค์ที่จะให้หลวงปู่เจตาเมตตาเล่าให้ฟังก็เลยโอ้ไม่ครับยังอยือกสคัเก้ครับโอ้โหครับคำพระพุทธเจ้าอ่ะคำนพุทธเจ้าเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่แผนสูงขึ้น เที่ยวไร่เส้นถ้าเป็นองค์สูงขึี่ยวไร่เส้นล่ะก็มาอีกองหนึ่งแม่มาองคงสงมาตัดอีกแต่พรณีผ่านลางศาสนาไปอีกไว้อาจจะมนุษย์หรือเทวดาโปรดปฏิบัติแล้วก็องคนั้นมาตัดอีกองที่สามตัดบล่อกรณนจะสูงขึ้นองค์ละเที่ยเส้นยอดเที่ยร่ยเช่น ยืเลืใช่ห ม, มยืดเลยสูงเลยันินในโลกมนุยนี่นะครับนะขันเดินในนุษโลกนี่นะครับที่สูงขึ้นเลยครับแ่ามันจะสูงขึ้นไปแต่ว่ามันหมดกับคนละกับครับแต่ยหนือพัฒนการนี้นี่ก็เหนือพรฒากัรนี้ไปมริ ก, ก, กรรมมใหม่เป็นโลกอ่อนเป็นเป็นโลกใหม่ใช่ไมครับสร้างแค่อนส้างเป็นยุคใหม่โอ้แต่ละดานนี่ก็อาจจะ คนเราเทาดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายใจอัดใหญ่โยกท้องกนิษฐาสั้นที่ยี่ทีสองอาจจะพราะแกงไฟมันไหมอืมเีือมีไฟอยู่ที่นั่นแหละเนีสั่อยู่จจะมาสร้างสับใหม่แล้วนะรามโอโซนลองมาสร้างแทนบินครับ้มนุษย์นี่องเนี่ยืมีสององค์มันทักบ คือเป็นหนึง่งในพระธรรมละพราเจ้าปฏิทส่พระกุศลนั้นโอคค่ะที่เสีมสเยมตัดเน้นพระท่เจ้าก<อ>็ได้รับพระขาวพระที่เจ้า<อ>แล้วฟังคำพระที่เจ้าโอ้ค่ะเข้าใจไหมเข้าใจครับเป็ น, น, นที่เยแล้วก็พยามามทิศมาเรงพระทีเจา้จาปฏิบัติหมาแล้วะ วัดวัสมีบานนี่นะครับเหือเหนือเหนือช่้างอย่างไรช่อี่มันเป็นต้นนะมาแต่ตอนที่สี่นะเนี่ยจะมาแปลงที่สี่เนี่ยถ้าทำมาที่มาเนี่ยเมือเขาหมดมาเขาสร้างกรางอยู่ปรงใครจะมาจัดในเวลานั้นสารสัดนี่องเดียวถ้าไปแล้วก็ยังนี้สามกอนั้นมีสามมีสี่มาเจอแอบดินตรางหนูนัน เจละสาพระมาพระสมาชสมุนีเจ<ช>้าสองที่อัครินสารามสิหสมาชสมนนะุนีเจ้าสองที่เนี่ยมที่ห้านายุสองแสนตีเทพรามโอสุมังคลานะี่ก็ลงสุดท้ายเ น, นี่ยสองีเหมือนกันกนอกจกั้นแต่สองแสนะีโอเดียนสมัยพระเจา้าของเราเป็นพระเจ้าชัา้ี ข่นานจักรวาเนี่ยอายุแปดสิบปีครับโสอมาเจริญร้อยห้าสิบปีครับพระพะทุทธเจ้าลงมาตัดห้าสิบปีไม่ตัดเนี่ยไปดยที่พุทธปริญาาไม่รู้เนี่ยไม่ได้แหมดเลยแล้วก็ห้าสิบปีไม่เกิดพระพุทธเจ้าปลงมาตัดหลายปีแล้วหาสิบปีลงมาตัดครับแตพระพุทธเจ้าของเราชี้ปัญญาโมลีเนี่ โคดมไหมแปดสิบสี่ส่วนพระเจ้าสันตเพ้าองค์ไม่เอามาสร้างเป็นรัฐเออปัญญาประมีแต่มีลิ์มากเหมือนกัน่างนี้มีอกสันตีเนี่ย อ, องค์สัน 2, 000, 4, 3, ้นสองแสนตีคือเช่นพระอิศเสีเนี่ยยังสูอาววกก็ยักษ์ไม่ได้หมดก็ได้ฤิตเชื่อยักษ์ไม่ไหวเ่ยยักษ์เชื้อ น, อนนี้กระสสูมาก พระที่เจ้า่านตีคือพระศิษย์กยลมนีโกรแดบเนี่ยโอไ ด, อไไดเออเออ น, นื้อมนูนับบทต่องอย่างเนี่ยมาราเจเลตมาคิดยินเนีตสัพพจริงขงรัมปนารลักษมณทายักษังเนี่ยครับเป็นชนะด้วยชันตีที่อือเื่อเออโลกาติคนอาไป มันจะเจ้าอารยุ่เร็เจ้าอารยุ่ยอาจจสชงขยักตอนนี้นครับบาไม่นกินคนนัดแล้วก็นัดทอดมักินมละบางี่ส่ลงไปกินเจ้าอารยเจ้าอารย่งเร็ใส่ก้อนเนี่ยครับกุ้มาเนี่ยมันนั่ทั้งจัดเต็มนะเขาว่านธรรมแผนเขบโบเมีน่ลพาพไปเจ้าบัวงานงานงเจ้าอารยุ่ยเพื่อจัดกุ้ม้า น้อยนะมันนี่มาเกสดมันจเป็นอรหรันต์เลยเนี่ยเกิดเป็นกระเรียนแ้เป็ น, ปนหนลบบนทัพมามาเลยบ่เลยเลย้องเลทอรหันต์เนี่ยอารมณ์กไปยากนนก็นานกระเรียนใช้เพียนึงนี่ผ่าดา เ, เนี่ยไปยากข้อคนตายเนี่ยก็บวงบาดโ อ, อ้อารมณ์กไปยากเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาใกล้าแต่กับ ทับหน้าอะไรอยู่ย้อยตาคุณเตี้ยวงากโต้เนี่ยดูว่าได้มีต่อายุมาก8ปดเดือนตีหกเดืนตีตาคุณเ้วก็ในสองแสนไืเสียรมาสู่อารยาว่าได้บัดได้แล้วแม่คนนี้มีสักอย่างตนี้ก็เด่นแต่ที่ตัวได้ได้ยากไรยานบาดนี่ยเนับเหหัวมันใหญ่แน่เ มาเอาวงบาทหน้าหัวถ้ำบ่วงบาทขัดไปตรงนี้มันขาดเป็นเจนนี่เจนไปยมันที่สองเราพาดามสัญญาคออะไรนี่ท่านคอตาดีขาไปแล้วอขาดเป็นลึงเป็นที่นั่นเรืงนึสารยาลังมันมดแล้วบาด่เรืนี้เีโซ่ละมนุษย์ใจใดเท่าไหร่ใจเราใจไหนเราขอหย่ออยู่เป็นเจนนีเจนไมตั้งอยู่ในโดาปฏิป ผมมันยังเสียดแตนพระเจ้าของหลวงอีกยุบอนาคต้นโอ้ยนะต่อไปอีกต่อชิมาจัดมาชิชิดเหนืยืนชิดาชิดก็ด้เนี่ยชิมาตาในชิดหอกเอ๋อได้ไลากเลนี่ยชิโพงมาจัดต่ออืือขน่องอีกที่ลามแล้วรับพระบาญตก่อน มีอย่างตัวออกมาสามล้าน5นหายที่ททออทตัวเออเยอะหลายแล้วุณเจ้ามาีตัวองค์จรงจสุเท่าน่ะมนุษย์บ้านน่ะพิน่ะสองแสีต่เพียงผิครับทางปีสแล้วมีรื่องพรเจ้าที่ทำให้เรืม่มนุษย์มากอีกสีอีกได้ไหมครับอะไรมากกว่าสองแสนตีอีมีไหมครับไม่มีแค่สองแสีบนะครับแค่ส0งแเท่านั้นโอ้สาธุครับอืม การถ้ามากกว่านั้นก็มาลงมาจักเออสองแส2ตีแปดหมื่นตีหหมืนตีถันเปใจงตัดสี่หมื่นตีสามมืนตีสองมืนตีไม่มาเออมาลงคนมลกมันสอน่านาสุดีก็ไม่ม่ลงมามันไม่สอนยา ทำไมมันสอนากอ้างว่าตรงนี้ควาย่ลก็คือคทุกวันเนี่ยเออจ่งสอนายอ่ะม่ือางพระเจ้านะจิตใจไม่อ่อนถ้าพระบุตสศรเขาไม่มีเขาไม่ฟังความใค่ละเขาว่าเขารู้เขาเบ่งเขาเจครับคนะคนเชื่ในยทธยาศาสตร์เนี่ยเชื่อยุทยาศาสตร์ทั้งหมดนะเชื่อทธยาศาสตร์ทั้งหมดนี่ก็ยังเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าก็ลงไม่มาจากแต่มากิดมีอยู่แทรมามาน่ยละ งานอรไปมาเพื่วนพวกผู้นิจนะมาสอนธรรมะพวกนี้อยู่ขออมัยครว่าตอนนี้ลงบูพ้ตาอีกครั้งนึงครับว่าถ้า่ลงมาตัดแต่ว่าท่าลงมาเกิดยังไงครับนี่ลงมาเกิดนี้มยว่<ม>าโลกนั่งผู้นิศาสนาเนี่ยโลกนิจไม่วนะ่าจากพุเจ้าเลยใช่ไหมครับอ๋อยังไม่เป็นของ พ, พูเจ้าได้เอาเป็นพระโิสัต์นะครับเป็นพโพธิสัตว์เอามายกย่องศาสตรขศาสนเนี่ยโอ้ครับเ่เป็นพธิทานรั้าสตรศาสนา การจะรวมกันกันกบเสื้อที่ว่าผ้าโพลี่สเต์หรือเสื่ออาหันเพื่อโ พ, พลีเสัตอ์เรานั้นแห้<อ>ครับนะมันเป็นควาเจ็บคายเยอะพวกยากเนาพวกวิทยาศาสตร์เนี่ ย, ยเขาเป็นยากแน่ๆอันนี้เขาเจะเจ็บจีิงเจ็บจนินให้หมดเนีย เ, เขาเจ็บวยว่นะเออไม่ไม่เจ็บอยู่เลยากมันกินคนกินเจ็บนะจีบครับเเออไหมทอสันก็เหมือนกันครับ นี่มันไม่ที่ทำให้ใจเต้นเพราะศาสน ร, ร์วน์ชิเวจ์เจ้านายพิดาทองนั่นหลงไหลไปเออพระรามเอาสอนยื่ให้เป้นเ้นนี้เต้นไปนายพิดาเสร็จมันไปนนไม่เต้นข้างหน้าได้อีกเออช่วยต้องขับเลยโอ้ลายใดพิดาอย่าเราไม่ต้องอ น, นี้เป็นเล่อ์กลของเทศบาลครับได้สอนถามได บ, บาทที่สุดท้ายแล้วมันนี่มันเวนกองทองนง เออว่าเวลาวเนี่ยมตั้ห า, าก็เลยไม่ตายยังได้ควงทองอ่ะไม่ได้ไงสิตายวันนี้ก็บรรลุเนี่ยจนกอทองแล้วเมีอยอัไรเน่ยควงทองอะ่ะงานก็คือหอดไปีลองวันทีนงนะมันปนไหวเนีเ <laughs> เ่ยเออไม่ไม่มดไปแล้วมดลถจเือครับนี้แค่ไนครัไม่ไเพื่อเราบเขาแ เป็นผู้นำม า, ม า, ลาเลยเอาลราพูดว่าได้เราไปมาถูกเขามันจินรกนี้ครับพุทธา น, นะครับมันมี่เป็นกวงท้องเ ล, เลยเัวนชื่อไหนกไร้ายอ่ะไม่ให้เอยยากยากเออไปอยังเสียอลลุงลงูล่ครับพโพธิัต์ที่ท้านมองเป็นบารมี เ, เป็นระปรสปัจจุบันเนี่ยท่านรอหน้าป้าถ้าไปกลับที่ไหนก่อนครับ อ่าปรยชนิดเสร็จดีเสร็จหนะครั บ, บดเ็เตัยมมียงมันู้จ้างนะครับไหนถ้าไปกลับประโยชน์เสร็จ ด, ดีเสร็จก่อนน่เลยฮะดีเสร็จเสร็จตั้สร็จ อ, อครับาาจจครัมันจะได้สวยวามจุอไก็ถึงการนะครับก็ยไล่ไม่มาเกิ <laughs> ครับมันมาเกิดองินก่อนคือเราอยูยย่เดือนละล้านก็ไมเฉเยไม่ไรไม่ได้ทำประโยชน์ไมได้เพิ่มต่อไม่ได้ประโยชน์อะไรครับผมมันมันมันมีแต่ความทุขความทุกข์มัน่างนี้โออครับที่แบบนี่แต่ความตายนั้นเน่ยมันตายไปเลยพุทธนายเจ็ดลัานเนี่ยบุคคลนี้ฆ่าประการปรากฏเจ็ดล้านลงมาเลยเช้านอนเอดจินต์เลยนเมรุสาบขึ้นขุ่นขึ้น อาหารที่มีรสเนื้วัยชาก็าไม่มีรถไม่มีรถอ่ะยันนั้นยันจะได้เธอหยุดเธอไดหยินผมมครับที่าหญ่เนี่ยยายเธอหญิงกว่าตามเพราะว่าถ้ามาเกิดไม่มาโน่นเนี่มันมีทุกข์มันเป็นต้นเหตุมันได้สร้างกิริงามความดีถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ไม่ได้ครับ ไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลเออย่างเียนะอานมาตอนบนคนท่าว่าท่านให้ออดให้อดทุกคนให้ออดอย่างไรก็อดพร้อมก็อดหนาวก็อดผิวก็อดสหายก็อดเมื่อยก็ให้อดอยากนอนก็ใออดอดเอาดาไรอดเอาบุญอดเอาไม่สูงนี่ยอย่างนี้แหละงนนี้มานบาไม่มีอดเลย มันจะสนุกอย่างเดียวความสุกนั่นมันมันอะไรไม่มีผลโอ้ครับที่สุดนี่จะบุญเพื่อไรยังพอมันได้คันมาที่ไหนละอ่ะเป็นสุดเป็ทุกแล้วก็สุดสุดแล้วก็ทุเนี่ยเมื่อแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็เมื่อขาบาปแล้วก็บุญบุญแล้วก็บาปอยู่อย่างนั้นแหละเมือบุญแล้วก็ไปหาบาปอีกอ้ามันบาปเลย ทำบมนคืนสับปะกันอย่างนี้ทำเปอย่างนี้มีเงี้ยก็มีชายอย่างเนี้ยมีลูกก็มีเนี้ยครับเนี้ยมีเงียแล้วก็มีลูกดังเนี้ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงในมนุษย์เราเคือว่ามันเป็นเพื่มันก็บว่าเราทำนานี้ ทำได้ทำงานทำมาขายมีจกตทำมีเกียรในเลี้ยงเพื่อครับมีเลย้ยงนพืนได้แต่ผู้ได้ฆ่าด้วย้วก็อาจับอับได้มาเป็นเจ้าเศรษีหรือไม่หรือเป็นกระตาใไปตรงนี้บอกความดีความดีดีวิปลาสภิปัญญามีสอกะบะเด็กดิดีความสกิลมาจะก่อนเราทำไว้ดังนั้นไม่อยากดีกวดีถึงรำอย่างไร แต่ว่าคนเราให้ทำจาจขณะนี้เลวลาศูนย์าิกาคุณคือได้ลดได้ลดธรรมะมากครับตอนนี้ครับทลวๆปูวงู่เขาขอคำถามนะครที่อยู่ทัง้งดุสิตเนี่ยจำเป็นต้งแบงคุรุจ่าทุกองไหมครับหรือไม่จำเป็นอะไรล่ะที่ที่เขอยู่ทั้งดุสิตนะครับแต้องกับ สันจะะเบิดใอะไรล้วก AH ็ตามมันพุมอยู v ่ก็ตามครับแล้วก็เดือดในเกล็ดบั่นพนบนระเบิดสมอย่างเกล็ขาดนะเดือดนี Franken ้กรดิครับไม่ใช่เราหน่อยบาหลันได้น่อโยากอนไปได้ง่ายๆนะครับเหมือนเก็ดเป็นเระเดดเดดเ็นทระดาือดในมนุษยโลกนี่ก็ เหมือนกันคิดลาภคาดในความเห็นกวามันกับใครทั้งขึ้นคับที่ที่ความเห็นผิดระวังที่ว่าการเห็นผิดแต่อย่างเดียวขอให้เห็นผิดไปเลย น, นั้นอาจจะตาคแบนวทางของเรของคนที่ดีหือมีอารยญาติที่จากไกลทิเลวไกลที่เลวคือไกลจากความชื่วมหมูหมองไกลจากความไม่ดี ไปจากความทุกข์ความยากาาลาบากลังไปหาความพื้ดีที่สนุสนสปรารนานะ่นีเรียกว่าคนที่หวังหลังความสุขความเจริญบางอาคนดีเนะนี่ยไม่อยากได้เยาะก็ได้ไม่ได้เยอก็ได้เยอะไม่อยากได้บวานก็ได้บหวานเช่นนั้นะแต่คำว่าดี เรืองย่างน้ถ้าเขาไล่ตัวมันมาได้เเขาไปฆ่าอยู่เนื่องง่าใครยงไม่ครบมรยาหรือมีพักตี้ของเราถ้าไม่ไดีล้วก็อยากไม่ครบถ้าครบแล้วก็จะพาะไล่ตัวไนันมนกไม่อาใจอะไรเลยให้ใจเตี้ของเตี้ยเลยเตี้ยชอบดีจะทาดีไปเลยครับ มีการรับทราบความความผิดที่ารที่ิดความเห็นผิดให้เห็นชอบไปนั้นน่ะเห็นชอบบาจะไปเห็นผิดอยู่มาไรถ้าเขาผิดแด้วเขาจะไม่เห็นทอบจะคือเขาเห็นเมื่อเขาเห็นชอบไปเลยเขาอาจจะดีกต่เจอไปเองผิดเขาไม่ผีดเขาเลยจะมาแทนเราเหมือนเราไม่ทางานในในในการที่เป็นข้าราชการเนี่ย ตอนน้นรถนคือว่าเนี่ยไม่ทำเนี่ยคนที่เราใครทำเขามาแทนเนี่ยเขากระจายปวดออกปวดเพรว่าคนน่อนหลับทำงานเพราะคือว่านั้นมันไม่ทำหรือทำผิดเนี่บางคนนายเนยเขาจั้งคนพูที่เขาไม่ทำนะรื่องมาเป็นพยากรณเนี่ยคุณนั่งทำระเบิดเนี่ยมีประโยชนัง ไม จ, จ๋ไมถถไาไม่ผูบแสว่าการอยู่ใกล้ชิดครัวอาจารย์ที่สเสอิและบริสทธเนเรื่องจาเป็นใช่ไหครับเียย้ายออกนอก้างท่านไปนะครับ<ม>ย้ายออกนอก้างครัวอาจารย์ไปนะครับแ ก, ก, ก้ิดท่านไว้มีอาารยวครับตามไปถ้าเราความดีเิดความีตามไปน ะ, ะปนานนตามไนความั่วก็ตามมน้อยมันจบตา ม, มน้อยไป มันมันมันเป็นขอบเขตขายขายดีมากขายไม่ดีน้อยถ้าอย่างนี้ไม่ก่อปลูกขายดีไม่ได้ครับหลวงปู่ครับขอถามในความรู้ของพระสงฆ์พระยาเจ้อยากให้หลวงปู่เมตตาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าองค์แรกที่มาตัดนะครับนะพระพุทธเจ้าองค์แรกที่มาตัดนะครับพระยา้าหลวงปู่เมตตาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาอย่างไงครับมาตัดงแรก ครับองต้นเลยครับองต้นเลยนะครับใครับก็อยากให้หลวงปู่ไดเมตตาเล่าให้ฟงว่าความป็นมาของพรพุทธเจ้าององต้นเป็นยังไงครับมือขดมือจับประผมเลยนี่คือว่าพระประผมเราจะหลบบัวแล้วลบบัวนแม่แล้วแต่ก็อยู่ที่นประกาศประธมจากเทวนาวต้างโลกเม่อเทวนาวต่างืนาว เป็นคือ ท, ทำดอกเบียนดอกเบีบนนั้นโียชาตปรัรนาใสเพราะพระเจ้าองค์แรกเป็นพระผดผอมเกรธไปนะดอกเอี้ย่ารนะบาเนีนับเป็นหลายโกรล้านโผล่มาแล้วโอ้ไม่ใช่น้อยครับเขาไม่เห็นไม่ไปเลยเราคุณเจ้าตัดไปนับผดผถมมานะ เจ้าลน้ษนเห็นนตาเลยนะครับมีมีาขนาดนั้นเลยนะครับยังไง่ะอ้…ค์มุสลินะครับเป็นยังไมีมากไขนาดขนาดนั้นเลยนะครับโอขนาดนั้นเลยโอ้เป็นขนาดเป็นตูนเป็าโอ้โอหาอ้โอ้สาบสินับไม่ไม่ได้นับไปได้นะครับนับไมได้เหมือนเนื้อปลาอลังหันก็นับไ่ได้ครับสาวก็นับไ่ได้โอ้อันนี้สรของบนมันกับปานการทราบนั่นแหละบกคร่องถ้ดจะดี นับมือยมันเห็นแม่ตายมั น, นะะ้ำแม่นครับนับบาปก็ไม่ขาดบาป น, บใ น, ในั oh. <c oughs> ้นเลยโอ้โเคือตอะนั้นเรากเกลือเกลืวามมากความหลายมันคนที่ตายแต่ล้วตายมากไหมที่ก็ต้องตายมาใครตายก่อนคอใครโยบอนหุนห่นเฮือมงไหน คนที่ตายก่อนนะกดพะปะทัเนี่ยตายก่อนไม่นที่เดยก่อนมันก็ิกัดกับ